พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าศึกษาดีแล้วจะเข้าใจการปฏิบัติ วันนี้เป็นวันที่17พทธจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้พวกเราอยู่ที่สวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครพวกเราได้ไหว้พระสวดมนต์เย็นจบลงสักครู่นี้ ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราควรจะได้รับรู้เรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลาย เรียกว่าพระธรรม 84,000 พันพระธรรมมาขันสุดแท้แต่องค์ไหนจะหยิบยกเอาเรื่องอะไรหรือว่าตอนตอนไหนแง่มุมไหนที่จะมาสาธกมาแนะนำสั่งสอนแลอมาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง การธรรมะทำคําสอนไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นธรรมะของพุทธศาสนาเป็นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของกลาง เ, เป็นของพวกเราทุกทุกคนแต่ว่าพวกเราจะไปเรียนรู้ทั้งหมดทั้ง8 4 0หมพันมาธรร ม, มขันก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะททาญาติโยมที่อยู่ข้างนอก การทำมาหาเลี้ยงชีพของพวกเราก็หนักหนาสาหัดอยู่แล้วที่จะมาศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดลึกซึ้ง mm hmm. ก็คงจะทำอย่างนั้นได้ยาก mm hmm. เพราะนั้นครูบาอาจารย์อย่างพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเป็นต้นที่เข้ามาอยู่ในวัดวาสศาสนามาอยู่ข้างในมาศึกษาธรรมะ ทั้งปริยัติคือตำรับตําราคือแผนที่แล้วก็ปฏิบัติก็คือเมื่อเรียนรู้ศึกษาแผนที่แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอันนี้คือพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพม่ได้ยกยอปอปั้นหลวงพ่อแต่หลวงพ่อกอ็พูดตามความเป็นจริงอย่างหลวงพ่อนะ่ย ชีวิตของหลวงพอ่อทั้งชีวิตพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะหลวงพอ่เอเกิดมาแล้วอายุได้เพียง11อย่าง12ปีก็ได้ออกบวชเป็นสั ม, มเณตั้งแต่อายุคือ 11-12 ปีเป็นสั ม, มเณตั้งแต่ปี 2,500 อลูกหลานบางคนก็ค ง, งยังไม่เกิดจะเลยซ้ำไปแล้วก็เมื่อครบพระ เมื่อครบบวชพระ20ก็บวชเมื่อปี08ย์จากนั้นเมื่อบวชพระปี08ย์มาถึงปีนี้ 2,557 อาจปีจากนั้นมานี้ก็เป็นนั้นว่าชีวิตของหลวงพ่อเฉพาะพระอย่างเดียวก็5 0พันศาห้า5 0พรรศาเฉพาะพระและก็บบวกสามเณรอีก8 ก็คงจะเป็น58พันษา58ปีที่หลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคราว่าตญาติโยมอยู่ภายนอกพวกเราทั้งหลายจะรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างที่พระสงฆ์ที่ท่านอยู่ข้างในศึกษานั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้ยากเว้นเสียแต่ว่าผู้มีอุปนิสัยบุญบรารมี ที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาไว้ดีแล้วพอภาวนาเข้าไปนี่ก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลยิ่งกว่าผู้อยู่ข้างในก็มีมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในครั้งพุทธกาลแต่ถึงยังไงก็อยางน้อยกว่าพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในเพราะท่านตั้งใจเพื่อการศึกษาเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพระสงค์จะอยู่ข้างในที่ได้รับศึกษาทางแผนที่ก็คือปริยัติปริยัติคือแผนที่ที่พระพุทธเจ้าวางไว้พระไตรปิฎกนั่นก็คือแผนที่ทั้งหมดในเมื่อเรียนแผนที่แล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติตามแผนที่เดินตามแผนที่นั้นท่านบอกปรยิยติ ปฏิบัติปฏิเวทในหลักธรรมปริยัตยคือการเล่าเรียนศึกษาในเมื่อเราเรียนศึกษาได้ก็ลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติอันนี้คือว่าปฏิเวทถ้าเราที่เราจะเปรียบเทียบ เ, เป็นหลักวิชาการกับพวกเราการะบวะปริยัตยเหมือนกับพวกเราเรียนหมอ หรือว่าเรียนกฎหมายหรือว่าเรียนวิชาความรู้เรื่องต่างๆอันนี้ก็คือปริญญาตปฏิบัติก็คือการกับพวกเราเมื่อเราเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติเหมือนกับเรียนหมอจบแล้วเราก็นำวิชาของหมอลงมารักษาคนไข้ปฏิบัติตามที่ได้เรียนได้ศึกษามา แล้วว่ากฎหมายเราเรียนจบแล้วเราก็นากฎหมายมาใช้มาเป็นทน า, นายความมาเป็นพิพากษาอายการ อ, อันนี้ก็คือปฏิบัติลงมือปฏิบัติส่วนปฏิเวทเผลแห่งการปฏิบัติคือเรา เ, เรียนวิชาหม อ, อแล้วก็นำมารักษาคนไข้แต่ผลของการรักษาคนไข้ก็คือเงิน คือเงินผลคือผลตอบแทนของหมออันนั้เนเรียกว่าปริยัตคือการเร่ยเรียนศึกษาปฏิบัติก็คือลงมือเออเอาหลักวิชาการมาใช้และกับปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัตินี่ถ้าเราเปรียบเทียบในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้คือปริยัตคือพระพุทธเจ้าท่านว่าพวกท่านทั้งหลาย เป็นคราวาสญาติโยมให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาเนอะสำหรับคราวาสสำหรับพระสงฆ์ให้ท่านมีศีลสมาธิปัญญาเนอะอันนี้ก็คือพระสงฆ์ที่เข้ามาอยู่ภายในข้างในให้ว่าให้มีศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือวิธีการสอนพระสงฆ์สอนคราวาสญาติโยมในเมื่อเรานา ศีล ส, สมาธิปัญญานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติคือมรรคผลที่พวกเราจะได้รับคือพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาพระอารหันต์อันนี้ก็คือผลแห่งการปฏิบัติเราได้รับมรรคผลอรนี่แหละอันนี้เรียกว่าผู้อยู่ข้างในจะต้องได้เรียนจะต้องได้ศึกษาทะนั้นเมื่อได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็ นําบาบอกกล่าวให้กับคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมอยากพวกเราท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะรู้ยิ่งกว่าพระสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทำด้วยบุญวาสนาบารมีเก่าแก่ดึกดาบันอันนั้นก็มีมากต่อมากมันแข่งกันไม่ได้แต่บางโดยมากกับพวกเราที่อยู่ข้างนอกไม่ได้ได้รับการศึกษาเรียนรู้เรื่องปริยัติก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์ อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันที่เข้ามาบวชแล้วไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็จะได้รู้สิงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หลวงพ่อเขาจะต้องเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นสมณีน เ, เรียนยังไงในเมื่อเป็นพระท่านก็สอนอยังไงจนสอนมาเป็นลําดับลําดับเพราะฉะนั้นอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์20กว่าพรรษานะทั้งฝ่ายทั้งเป็นพระด้วยทั้งเป็นสมณีนด้วย20่สกว่าปีถ้าจะ เปรียบเทียบกับการเรียนปริญญาตรีโทเอกของคณะสัตายาติโยมเลยก่อนคงไม่แพ้กันแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้รับขั้นรับภูมิแต่ว่าได้รับความรู้ความรู้จุดนั้นน่ะไม่มีใครที่จะประเมินการได้ว่าได้สังเกตยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังที่หลวงพ่ออยู่กับกับครูบาอาจารย์กระองค์หลวงตาอันนี้เพียงเกต น่อยเดียวเองที่พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังที่เราอยู่ถึงสิบสี่ปีอยู่กับองค์หลวงตาแล้วแต่ละเกรดความรู้นั้นมากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนี้ก็คือการอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์แต่ส่วนปริยัติธรรมที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าอันนั้นพวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ในพระไตรปิฎกเอกต่างหาก ในเมื่อเรียนรู้ทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็ได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเฉลยให้ฟังว่าบางสิ่งบางอย่างถึงเราจะเรียนในพระไตรปิฎกก็กเถอะก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเฉลยให้ฟังอีกแนะนําให้ฟังอีกเราจะเข้าใจชัดในเรื่อง น, า น, านอั้นในเมื่อเราได้เข้าใจแล้วแต่เนี่เราก็ลงมั่นใจในการลงมือประพฤติปฏิบัติ ด้า น, นอย่างหลวงพ่อจึงได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้นำแนวปฏิปทาแล้วแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวให้กับคณะทาญาติโยมโลูกหลานได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางทีก็จะละเอียดทีท้วนไปกันเพราะหลวงพ่อเรียนมาแบบกอไก่ขอไข่ เออแบบเรียนมาแบบคล้ายๆกับว่าทันทาพิญญาพวกรู้ไรช้านะ เ, าเรียนแบบรู้ไรช้ า, าว่านักเรียนหัวทื่อพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะแต่ถ้านักเรียนหัวเร็วเรียกว่าคิด ป, ปะพิญญาพวกรู้ไรเร็วอันนั้นก็ไม่ได้สอนอยากเพียงพูดแนแนวแนแนวอย่างเดียวก็เข้าใจแล้วแต่ถ้านักเรียนหัวทื่อเนี่ยเราจะไปแบกบแนแนวแบบ นักเรียนหัวดนะีไม่ได้เราก็ต้องสอนแบบนักเรียนหัวถุยน่แหละนักเรียนหัวถุยก็ต้องย้ำหน้ า, ย, น า, ย, นาย้ำหลังย้ำหน้าย้ำหลังเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วลูกพ่อนำมาแนะนำสั่งสอนคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานลูกพ่อจึงพูดให้ฟังในเอ็สถ้าฟังดูแล้วบางพลที่ปัญญา ผู้มีความรู้ความฉลาดผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วพวกเราคงจะเอื่อมละอาหรือเบื่อเพราะเหตุไรเพราหลวงพ่อย้ำเพราะเหตุไรหลวงพ่อจึงย้ำอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อมีที่ไปที่มาในขณะที่หลวงพ่อศึกษาเพราะอย่างอยู่กับหลวงปู่ลาศหลวงพ่อเป็นเนรน้อยอย่างที่ว่านับกอไก่แต่ท่านว่าอริยะสัจสี่ฮะต้องพิจารณานะ ยึดอริยสัจสี่นันเป็นหลักนะยึ ด, ยดสติปฐานสีนะยึดไตรักนะยึดอสุภะปฏิกูลนะแต่นี้พอเราฟังเท่านั้นแหละอะไรคืออสุภะอันไหนคือปฏิกูลอันไหนคืออริยสัจอันไหนคือใจรักเราฟังไปแล้วมันงงท่นี่ถ้ามันงงเราก็ไปศึกษาท่นี่ เ, าเราเอาหนังสือนวคุวาดมาท่องบนสาทยายพอมารู้เลยนะโอ้ ในหลักธรรมขั้นว่าไตรลักษกณ์คืออนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาอย่างไงจึงจะเป็นไตรเป็นอริยสัจสี่ทุกคาว่าทุกน่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคลงพ่อกมาดูอีกทุกสมุทัยนิโรธมรรค ถ้าหางว่าเป็นภาษาของเรานี่ไม่น่าจะใช่คงอันนี้เป็นภาษาบาลีทุกสมุทยัยนิโรธมักน่าจะเป็นสมุทยัยทุกมักนิโรธจึงจะถูกนะหลวงพว่อ ไ, ได้นำมาคิดแล้วท่านคล้ายๆกับว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนะ สมุทัยคือกาตัาหาภาฏาหาวิภวะตัาหาเป็นสาเหตุให้ทุกเกิดในเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหามักหามักมาแก้มักคือแนวแนวทางแนวปฏิบัติมักมาแก่เมื่อมักแก้แล้วถูกทางแล้วก็ น, นิโรธคือความมันดับทุกได้ เ, เราก็หายจากโรคคาพยาธิจิตใจพ้นจากอาสวะกิเลสนี่ว่านิโรธคือความดับทุกขเนยนี่แหละ ถ้าจะเปรียบเทียบหลวงพ่อย้ําไม่อีกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นรู ป, ปรธรรมขึ้นมาอันนั้นคือเราพูดเป็นนามธรรมคําพูดแต่ถ้าเราเป็นเปรียบเทียบเป็นรู ป, ปรธรรมขึ้นมากาม m a t a n t เอ่อคือเหตุให้ทุกเกิดกาม m a t a n ภวะต t a n t วิภวะต t a n า h a karma t นั่นคืออะไรการ karma t a n t คือถ้าเยอทะยานเอ่อคือความอยากในกามในกรมภามะวะ คืออยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะรับอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะงามวิภาวะตัณหาไม่อยากจะลบไม่อยากจะตายไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงไม่อยากเป็นอันนี้บอกวิภาวะตัณหาตัณหาการมตัณหากรณภาวะตัณหากรณีวิภาวะตัณหาก่อนดีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์่งนี้มันทุกข์เรอาอะไรมาแก้ ก็คือมัคมัคคะก็คือหุนทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจากัมมันโตอาชิววายโมสติส ม, มาธิคือมัคแปดเข้ามาแก้พอมาแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วคือนี่รอคือความดับทุกข์เพราะมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจพวกเราอันนี้อันนี้ก็คือถ้าจะบอก อ, อ, อริยสัจสี่ ทุกสมุททยนิโรธมักถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าทุกเนะี่ยคืออะไรถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมก็คือหนามปักเท้าของเราหนะน้าหนามปักเท้าของเราอันนี้คือทุกเนี่ว่าการมัธนาระวะตัณหาเนี่ยมันมาปักหวัวใจของเราหรือปักเท้าของเราทําให้เราทุกแต่นี้เมื่อเรามีทุกแล้วไง อ, อริยสัจจทุก สมุทยัยเอ่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งคือน้าน้ํามันมาตับเท้าของเรามันเป็นเหตุเอ่มันเป็นเหตุซะก่อนมาตําเท้าของเราเราก็ทุกข์ในเมื่อน้ําตําเท้าเราเราก็เอาเข็มมาบ่งใช้เข็มหรือใช้มีดผ่าออกอที่มันเป็นของใหญ่ก็ต้องใช้มีดผ่าถ้ามันเป็นเล็กก็ใช้เข็มบ่งออกเข็มนั่นแหละคือมัดในเมื่อเราบ่ง น้ำออกจากเท้าของเราแล้วเอาแสงสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเท้าของเราออกแล้วเราก็หายรักษาแผลแล้วก็หายจากโรคเออหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหายจากเจ็บปวดนั้นอันนี้คือนิโรธคือการหายจากโรคไขยไข้เจ็บเนี่ยอันนี้คือถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าทุกสมุทยัยนิโรธมัก ไตรลักษณ์อเิจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมรรคแปดสมาธิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายถ้าท่านอาธิบายเพียงแค่นี้หลวงพ่อไม่เข้าใจสมัยก่อนจากนั้นหลวงพ่อจึงเมื่อตัวเองได้เรียนรู้เรื่องนั้นมาแล้วหลวงพ่อก็จะอธิบายให้ฟังเท่นีผู้ที่เขามาศึกษาตามหลังหลวงพ่อหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง เออมาร์กแเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอริยสัจเนี่ยเป็นอย่างนี้นะออกรรมฐานสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อจะที่บายให้ฟังแต่บางที่ที่ท่านบางคนที่ท่านรู้แล้วท่านรู้มาก่อนท่านก็ลาคาญเหมือนกันนะหลวงพ่อนะคิดว่าท่านคงจะลาคาญแต่ท่านผู้ที่พวกเราไม่รู้พวกเราก็คงอยากจะฟัง อย่างสติปัฏฐานสีกายอยนะู่ันคืออะไรให้กําหนดกายอย่างภาวนาเนี่ยไม่หนีจากสติปัฏฐานสีนะจัทายาญาติโยมลูกหลานนะสติปัฏฐานสีคืออะไรคือกายพิจารณากายกําหนดลมหายใจคือเอากายกําหนดยกหนอพองหนอกเอากายกำหนดแล้วก็แพ่งดวงแก้วที่อยู่ในหัวอกคือกําหนดอยู่ที่กายอันนี้รววากายยาโน ป, ปัจนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัจนาจิตติปัฏฐานเวทนามีอยู่สองในตัวของเราเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาทางกายก็คือหิวกระหายปวดแข้งปวดขาเรียกว่ามีความรู้สึกปวด เ, เจ็บปวดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆอันนี้เราเวทนาของกายแต่เวทนาของใจนั่นก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในใจมันทุกข์อย่างที่พวกเราคับแค้นแน่นใจ ทุกจนเรื่องทรัพย์สมบัติสามีภรรยาครูบาอาจารย์ไม่ถูกอกถูกใจของเราเราเป็นทุกอันนี้เลกว่าทุกเขเวทนาทางจิตทางใจนนค่าตัวเองตายมากมากตัวมากเพราะมันปรงไม่ตกเพราะว่าเป็นเวทนาทางจิตใจเบลตเวทนาทางกายที่เป็นโรคมะเร็งเป็นไข้จะไข้ได้ป่วยกับทรมานกับำคาญกับฆ่าตัวเองกัมีอีกเหมือนกันอันนี้คือเวทนา เวทนาทางกายเวทนาทางใจเนี่ยอันนี้ก็คือทั้งสองอย่างเรียกว่าเวทเวทนานุปัสฐานจิติปัฏฐานจิตตานุปัสฐานจิติปัฏฐานก็คือจิตใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนิดคิดดีตะคิดชั่วเดี๋ยวนี้มันเข้ามาสู่จิตใจมันไปทางไหนใจของเราเนี่ยมันตามดูจิตของตนเอง ใจของเรามันคิดดีหรือมันคิดชั่วเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราก็เห็นได้ว่าขณะที่เราคิดเรื่องอะไรใจของเรามันไปฝ่ายไปทางไหนไปทางดีหรือไปทางชั่วเราจะรู้ได้อันนี้แล้วว่าจิตตานุ ป, ปัจนาสติปัฏฐานส่วนธรรมานุ ป, ปัจนาสติปัฏฐานก็คือธรรมารมณ์สิ่งไหนที่มันมากระทบใจสิ่งดีเราก็ดีใจสิ่งทีเลวเราก็เสียใจทกใจ กับอารมณ์ที่มากระทบใจนั้นอันนี้ว่าทำมาลงทำมานุปัจนาสติปัฏฐานนี่แหละคือท่านให้ภาวนาในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้ก็คือถ้าพวกเราได้ศึกษาแต่ถ้าไม่ได้รับการศึกษาถ้าเราศึกษาไม่ได้รับการศึกษาเลยหลวงพ่อพูดเพียงแค่นี้พวกเราก็ยังงงแล้ะ แต่ถ้าผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วเข้าใจเข้าใจที่พูดให้ฟังเออพูดได้ชัดเจนเข้าใจดีนี่อันนี้แล้วว่าภาวนาสติปัฏฐานสี่นี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองพูดใน MP3 สของหลวงพ่อจึงเจ้นเน้นย้ำหนักหนาก็เพื่อผู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าติโยลูกหลานทุกคนนะแล้วก็การศึกษาธรรมะในอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวองค์หนึ่งก็ได้นําสิ่งหนึ่งมาบรรยายให้ฟังองค์หนึ่งก็ได้นําคำอย่างหนึ่งเข้าฟังแต่ว่าการสําเร็จมรรคสาเร็จผลนั้นไม่ได้อยู่กับผูใ้ใดใครผู้หนึ่งอย่างพระอานนท์เนี่ย ที่ท่านได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นด่านแรกก็คื อ, อท่านได้สําเร็จกับพระอะไรพระมันตณีบุตรเถระนะที่ได้ฟังธรรมเทศนากับพระมันตณีบุตรติดสะเถระนะท่านได้ฟังได้สําเร็จพระโสดาบันท่านไม่ได้สําเร็จกับพระพุทธเจ้านะพระอานนุ์ก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อ ท่านได้เป็นพระโสดาบันได้ติดสอยห้อยตามผล น, นิบัติอุปถากพระพุทธเจ้าเหมือนกับเงาตามองค์ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานพระนรนก็เสียใจยอย่างมากว่าติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้ามานานแต่พระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เป็นแต่เพียงพระโสดาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เออ พระอนุ์เสียใจจนถึงกับร้องให้วันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทั้งที่พระอนุ์อายุ80ปีพระพุทธเจ้าปอายุ80ปีที่พระองค์ที่พระโองค์ปรินิพพานแต่พระอนุ์ก็อายุ80ปีพระอนุ์ร้องให้พระพุทธองค์ถามว่าอานุ์หายไปไหนพระสงฆ์ก็บอกพระอานุลไปร้องให้อยู่ที่ทางขึ้นอาคารสันทาสันทาคารพระเจ้า่า เรียกอนนท์มาพุทองค์เป็นไงอนนท์โอ้ข้าพระองค์เสียใจอย่างมากพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้สําเร็จพระอารหันเหมือนกับท่านองค์อื่นๆได้สําเร็จเพียงพระโสดาบันจากนั้นพี่เลี้ยงผู้ที่ให้ที่จะให้ธรรมะกับข้าพระองค์คือพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพานไปเสียแล้วเหมือนกับนักมวยกําลังต่อแต่กําลัง ตั้งไข่แต่พี่เลี้ยงก็ตายไปเสียแล้วก็ผมมานึกถึงจุดนี้ข้าพระ อ, องค์เสียใจอย่างมากไม่รู้จะทํำยังไงพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงแต่ได้สําเร็จพระโสดาบันเท่านั้นพระ อ, องค์บอกว่า ด, ดูก่อนอาน o ์เธอปฏิบัติเราตถาคตไม่มีที่ตําหนิเ พ, พราะพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตที่ผ่านมาท่านก็ปฏิบัติอย่างอาน o ์ปฏิบัติกั บ, กบเราตถาคตนี่แหละ เหมือนกันเอาเถอะตั้งแต่บัดนี้ไปอีกสามเดือนอท่านภาวนาท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นะพระพุทธเจ้าพยากรณ์พระอานุลพระอนุ์ก็เช่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสคําไหนเป็นคํานั้นเขาว่าหนึ่งไม่มีสองท่านก็มั่นใจในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถวาอานุ์อีกจักนี้ไปอีกสามเดือน ท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นะนี่แหละพระนรนก็ได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านก็เมือ่อประชมเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยท่านก็ได้นําอัฐบริขารหรือนําอธิธาตไปปฏิสถานน่าสถานที่ต่างๆจากนั้นท่านขภาวนาก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์จริงในสมเดือนจริงๆนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนา เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงพ่อได้พูดว่าการสําเร็จได้ฟังธรรมเทศนานี่รู้แจง้งเห็นจริงและเข้าใจจริงไม่ใช่ว่าจะอยู่กับองค์ใดใครผู้หนึ่งไม่ใช่บางทีเราฟังองค์ไหนก็ได้บางทีฟังกะนเน้อยอฟังกเนเน้อยก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็มีทั้งที่ฟังพระพุทธเจ้าฟังแล้วไม่ได้สำเร็จพระทศไปฟังกเนเอน้อย อย่างโปธิรัสพระในค้างพุทธกาลท่านเรียนพระไตรปิฎกมีลูกศิษย์ตั้งห้ารอยต่างหากต่นี้พอมากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบที่ไรพระพุทธโอเคบอกว่าโปธิรัสใบลานเปล่าท่านใบรานเปล่าพอมากราบเสร็จแล้วโปธิรัสท่านใบรานเปล่าท่านมาเหรอโปธิลัส ท, ท่านจะไปแล้วเหรอ กาว่าท่านใบาลานเปล่าคนบ่อยใบลานเปล่าคือไม่ใบาลานไม่มีหนังสือตัวหนังสือน่ะเอออันนี้ก็เหมือนการโพธิลัตจิตใจเปล่าว่างจากทำรรไม่มีธรรมในใจท่นี้พระโพธิรัฐท่ทานก็ดูใจของท่านก็จริงจริงจริงๆอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสจริงๆเออเราจะทํำยังไงเราจะเป็นครูบาอาจารย์สอนศิษย์พระสงฆ์ตั้งห้าร้อยอย่างนี้มันคงจะไม่ได้เราควรจะหนี จากนั้นพระโปธิลัตเนี่ยท่านก็เลยหนีจากหมู่เพื่อนกลางคืนนะหนีจากหมู่คณะสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ทั้งห้ารอเนี่ยหนีกลางคืนหนีไม่บอกใครเลยหรอกท่านก็เข้าไปอยู่ในป่าหนีเข้าไปในป่าดงพงไพไปเห็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งมีอยู่30รูปพระสงฆ์กลุ่มนั้นแล้วก็มีเนรน้อยอยู่องค์หนึ่ง อ, อยู่ในนั้นตอนนี้ท่านก็เขาก็รู้ว่านี่คือท่านโพธิลัต เป็นพระเถระทีเ่เป็นผู้เรียนรู้ในพระปริยัติธรรมจบพระไตรปิฎกเป็นผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ในพระไตรปิฎกท่านก็เข้าไปกราบพระเถระอยู่ในป่าพระเถระครับผมกับผมขอมาศึกษามาเรียนรู้ขอท่านอาจารย์เมตตาสอนธรรมะให้กับผมด้วยเถิดโปธิรัตน์นะแต่ี้ท่าน พระเถระองค์นั้นถ้าเขาเป็นพระรหันต์ฮะอยู่ในป่าท่า น, นบอกโอ้ยอาจารย์อาจารย์ก็เรียนปริยัติมาจดจกพระไตรปิฎกอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากจะให้ผมศพผมสอนเนี่ยผมจะสอนอยังไงเออผมอยู่ในป่าโรงพงไปเอาเถอะนะอาจารย์เนลธอองค์ที่ต่อของผมเลยท่านเก่งนะองค์นี้นะองค์นั้นเก่งนะเอท่านไปศึกษากับองค์ต่อไปนี้ก็แล้วกันนะ ใครข้าว่าองค์ที่กับเบี่ยงใส่องค์นั้นมาด้วยองค์ที่สอ ง, พอ ง, สองอเพระารอออพระองค์ที่สองท่านก็จะเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันเพราะเป็นพระอรหันตั้งถึงเนนน้อยแล้วนั่นสาองค์เป็นพระอรหันต์แต่หัวแถวจนถึงเนนน้อยท่านไปหาองค์ที่สององค์ที่สองกับเบี่ยงไปหาองค์ที่สองค์ที่สามเบี่ยงไปหาองค์ที่สอ่ใครข้าว่าลงไปตลอดท่านก็ยอมโปธิรัตน์พระเทระผู้ใหญ่ยอมจ้อไปถึงเนนน้อย ไปถึงเนรน้อยไปถามเนรน้อยอพระเถระทะ่านก็อโอ้ยเนี่ยสมาเนรเขาเก่งนะถามเขาได้เลยรู้หมดทุกอย่างเอาเถอะอาจารย์ไปสอนไปเรียนกับเนรน้อยก็ไดอ้อาจารย์ก็ยอมเอาได้เอาไปหาเนรน้อยอสัมมาเนรสอนผมด้วยเถอสอนธรรมะให้กับผมนะสัมาเนรสัมมเนรผ ม, มนนกา อ, อาจารย์อาจารย์ก็เรียนทางพระปริยัติมา พระไตรปิดกมาแล้วเนี่ยจะให้ผมสอนผมสอนอย่างไงเนี่ยแต่ถ้าท่านอาจารย์เชื่อผมเนี่ยผมก็จะสอนให้ยุแต่ถ้าอาจารย์อาจารย์ไม่เชื่อผมเนี่ยคือว่าศรัทธาคือความเชื่อคนไม่เชื่อกันจะสอนกันได้ยังไงที่แม่หล่ะเอ่อทนสมมาเนท่าเป็นพระรหันเนี่ยท่านฉลาดยิ่งกว่าฉลาดอีกนะี่ยท่านบอกว่าท่านอาจารย์จะฟังผมผมจะสอนให้ยุเออท่านอาจารย์ก็บอกเอาเอสมมาเนสเนสมมเรนสอนอะไรผมสิรับฟังทั้งหมด จะเรียนกับสมณีนทั้งหมดเออถ้าจะงั้นป่าถ้าจะเรียนกับผมผมก็จะสอนให้สมณีนก็ให้พระเถระเดินตามหลังไปพอเดินตามหลังไปไปเห็นป่าไั้งที่คล้องผ้าจีวร อ, อยู่นะอาจารย์เนี่ยคลองผ้าอย่างหรงพ่อเดี๋ยวเนี่ยอาจารย์เดินเข้าป่าเลยใชเดินเข้าเนี่ยเดินเข้าป่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าเหตุผลการให้เดินเข้าป่าเนี่ยเดินไปเพราะอะไรไม่ได้บอกไปอาจารย์อาจารย์ขออาจารย์เดินเข้าป่า อาจารย์ก็ไม่ได้ถามอีกเหมือนกันว่าสมณเณรให้ผมให้ผมเดินเข้าป่าทําไมล่ะเอ่อทำไมจึงให้ผมเดินเข้าป่าไม่ถามสมณเณรบอกให้เดินก็เดินเลยเหมือนนเดินเข้าป่าเดินค ว, ว, ว่ำควเข้าไปในป่าอสมณเณรว่า พ, พ่อพ่ออาจารย์ อ, ออกมาถ้าออกมาออกมาอ่าตอนนี้นอาจารย์ก็เดินออกมาแบบบอกง่ายเดียวกั้นอบอกยังไงไปอย่างงั้นเลยเอนนี้ก็เดินไปเห็นน้ําไปเห็นสระน้ําออาจารย์ ชมาเรนก็บอกอาจารย์เนีน่ยมัน ล, ลงไปในน้ําครับผมอาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมสมาเรนยังให้เราลงไปในน้ํามันก็เปียกในที่ผ้าจีวอนของเราคล้องอยู่ในนี่มันจะเปียกอะไรสิท่านก็ไม่ได้ถามสำมาเรนให้ลงทั้งก็เดินลงอีกเหมือนกันเดินโฉมโฉ ม, มลงไปพอผ้าจะเปียกสมาเรนอาจารย์ขึ้นมาพอพ อ, พ อ, พ, อพออาจารย์เออเนี่แหละพลารหานท่านฉลาดขนาดนั้นแหละทีนี้ท่านก็บอกเอเออ อาจารย์น่คงจะเชื่อเราเราบอกให้ทำอะไรทำหมดถ้าเราจะสอนให้ปฏิบัติยังไงท่านอาจารย์ก็คงจะคงจะทำอย่างที่เราสอนเอเพราะว่าศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยคนไม่เชื่อกันมันไม่เชื่อกันจะไปสอนกันได้ยังไงนี่ยแหละศรัทธาคานี้แหละเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญในพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตว่าถ้าเชื่อในครูบาอาจารย์แล้วน่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งส อ, สอนเชื่อใน หลว ง, งตาหลวงตานด้ทำสอนเราก็มอบกายถวายชีวิตขอบองค์หลวงตาหลวงตาพูดในเราก็เชื่อแล้ะปฏิบัติตามจะได้เห็นผลอันนี้ก็เหมือนกันสมมเณรท่านสอนอย่างนั้นสมณเณรบอกพระโพธิรัตษ์อย่างนั้นโพธิรัตษ์ก็เชื่อหมดให้ทําอย่างไรทำจากนั้นสมมเณรก็หาที่มุมมุมที่นั่งจะหาที่นั่งอาจจะเป็นขอนม้หรือขอนหินเนี่ยขอนั่งเสร็จแล้วสมมเณรก็ถามอาจารย์ ผมจะอธิบายให้อาจารย์ฟังและให้อาจารย์สังเกตนะที่ผมจะพูดให้ฟังให้อาจารย์สังเกตในคำพูดของผมนะผมจะอุปมาอุปไมยให้ฟังผมอุปมาให้ให้ฟังนะ่คือผมสมมติว่านะมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งมีจอมปลูกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีมีเฮี้ยตัวหนึ่งมีตะกวดมีเฮี้ยตัวเฮี้ย ตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งมันออกหากินแต่มันอาศัยจอมปลวกตัวนี้ลนะ่ะมันออกหากินในรูต่างๆมีอยู่ห้ารนะูเนี่ยตัวนี้มันมีอยู่ห้ารูออรูออกหากินของมันครั้งนี้มันออกทางหนึ่งทางหนงมันก็ออกรูหนึ่งออกมันออกรูหนึ่งมันออกหากินอาจารย์ให้สังเกตและอาจารย์ปิดรูอีกสี่รูนั่นนะ่ะ ปิดสี่รูแล้วก็อาจารย์ขุดเจาะเข้าไปรูใดรูหนึ่งตามเข้าไปามันไม่มีที่ออกเฮียตัวนั้นมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจารย์ก็จับเฮียหรือจับตัวเงินตัวทองนั้นได้ไดอาจารย์ง่ายได้จับเข้าไปเนี่ยอยู่ได้อาจารย์เข้าใจไหมที่ผมพูดอาจารย์โปทิรัตเข้าใจเข้าใจสมัมานเิเข า, เ, าเข้าใจเข้าใจไปอาจารย์ไปภาวนา อาจารย์ก็ไปกับภาวนาน่ไปดูใจสมณีนเปรียบเทียบ ว, ว่าจอมปลวกเหมือนกับร่างกายของพวกเราร่างกายของเราเหมือนกับจอมปลวกเทนี้เฮี่ยนั่นก็คือใจของเราคือน้ำ ม, าามัธยำคือตัวน้ำ ม, าามัธยำคือตัวเฮี่ยนตัวเงินตัวทองมันออกหากินเอากะ ก, กินมันออกทางตาใช่ไหมไปเห็นูปถทารูปรักหน้ารูปหน้าตาเฉดสวยงดงามสิง เห็นเงินคําทรัพย์สมบัติสิ่งที่พึงปรารถนาใจมันกับเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้นมาลเลอถ้าว่าเห็นของที่อยากจะได้เกิดราคะคือความอยากเกิดตัณหาขึ้นมาคือความอยากถ้าสิ่งที่ไปเห็นไปเห็นรูปเขาบุยปาเขาดา่าเอเขาทําอกกปีกิริยากับกให้กับเราเราไปเห็นเขาเรากโกหกให้เขาโมโหให้เขา เอ่เรียกว่าตาไปเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเกิดอารมณ์โกโรธขึ้นมาเกิดราคะบางังเกิดโทสะบางังเกิดโมหะคือความรุ่มหลงบังอันนี้คือเอ่ยเฮี้ยตัวนั้นมันออกไปทางตานะคือใจมันออกไปทางตาไปเห็นลูกทันนี้มันออกไปทางหูกเหมือนกันได้ยินเสียงเขายกย่องเละเฉินใจก็ฟูมีความสุขถ้าเขาตาถ้าใจทกเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาอีกอันนี้ก็คืออารมณ์เข้ามาทางหู แล้วก็มาทางจมูกของมันถ้าถูกกลิ่นเหม็นกับโมโหขึ้นมาอีกฮนะถ้าถูกกลิ่นหอมไปยิ้มอ่ะอันนี้ก็คือเอฮียมันออกไปทางทางจมูกทางลิ้นของมันกานได้ได้ทานอาหารรสอร่อยอร่อยนะครับเออมันเกิดพอใจถ้ารสเผ็ดรสขมอะไรที่มันไม่พอใจอย่างมากๆขึ้นมาถึงโมโหขึ้นมาอีกเพราะไม่ความไม่พอใจเอเพราะตัวเฮ่นนั้นไม่พอใจในในรสนะ สัมผัสความือนกันเย็นสัมผัสเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายมันสัมผัสร้อนถูกหนาวออ่อนนุ่มอ่อนอุ่นอบอุ่นมันก็พอใจนี่แหละเหี้ยตัวนี้แหละมันอยู่ในใจของเรามันเดีวกับโผล่ทางตาเดียวก็พอผล่าาทางหูพผล่มาทางจมูกโผมาทางดินทางกายเออเหี้ยใหญ่ตัวนี้แหะนี่แหละให้ท่านอาจารย์จับเลยจับเหี้ยตัวนี้ คือเอาสติสัมปชัญญะดูเฮี้ยตัวนี้ดูตะกวดตัวนี้นะอย่าให้มันออกเพศพลาดท่านเอให้เห็นเป็นว่าที่เฮี้ยตัวนี้คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาประตูขมันประตูเฮี้ยที่มันออกไปหากินเนะี่ยคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามิใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นตามความเป็นจริงอาจารย์เนี่ยในเมื่ออาจารย์พิจารณาอย่างนั้นนะจิตใจของท่านก็รวง เอพระพุทธเจ้าอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาราท่านเปล่งรัตจมีไปเถอะเน่ยให้ปรากฏต่อหน้าพระเถระโปทิรัตน์เป็นอย่างนั้นโปทิรัตน์อย่ายึดมั่นถือมั่นท่านต้องปล่อยวางที่ใจจากนั้นพระโปทิรัตน์ท่านก็ได้ปล่อยวางที่ใจท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละสรุปแล้วก็คือพระเถระผู้ใหญ่ ท่านคงแก่เรียนท่านปริยัติจกพระไตรปิฎกยังได้ไปศึกษากับเนน้อยเนนน้อยให้อุบายซะก่อนท่านจึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพนัสทายญาติโยมสิ่งเหล่านี้ถ้าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเจ้าของครูบาอาจารย์แม่แม่แนะนําไม่บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกรั้นทั้งหลายก็คงจะไปศึกษาก็ไม่ใช่ขอหาของหาได้ง่ายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มื่อไดยินได้ฟังแล้วก็เป็นเครื่องประดับสติปัญญ า, าบารมีของพวกเราเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกพวกท่านทุกๆคนคนะศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็พร้อมกันพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญจุดไหนเนี่ยอจุดไหนสําคัญที่สดุดอคําว่าพระพุทธศาสนาคํานี้เนี่ยตรงไหนจะนับหนึ่งจากตรงไหนอถ้าว่า พวกเราที่จะนับหนึ่งเออพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังเนี่ยเป็นพระเจ้าไปถิน่นไปบวชนั่นแหละนับจากหนึ่งเหลือจากนั้นแหลอแต่หลวงพ่อไม่น่าจะใช่นับหนึ่งจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าวันเดือนหกเพ็นนะ่ะวันที่พระพุทธเจ้าตัดสรูนะ้ะวันเดือนหกเพนนะท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพวันนั้นนะ่ะที่พุทธกายาก่อนพระอาทิตย์จะอัดสดงก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะ่ะ นายโสทิยะนำยาคามามอบให้ท่าน8ปดกำมือพอท่านเรียนยาคา8ดกำมือท่านก็เกลี่ยสลับหัวสลับท่าหางสลับหัวสลับปลายพอเป็นอาชนะที่นั่งเกลี่ยให้ลาบแล้วกันท่านปศิทธัทธาท่านก็ขึ้นไปนั่งบนยาคาเป็นอาชนะนั่งคัดสมาดขาขวาทับขาซ้ายก่อนที่ท่านท่านก็หันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกค่ะ ท่านหันประพักไปทันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ขึ้นนั่งขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้แหละในเมื่อพระองค์กําหนดทำอย่างนั้นแล้ว พระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณ ร, รณัตนาเกิดฌานขึ้นมาหรือเ่าปุเพนิวา่าสานุจติญาลำลึกชาติผลหลังได้นี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเริ่มนับหนึ่งแล้วนะ ท, ทีนะีนี่แหละญาณรัตนาคัมนี้เนะี่ยคื อ, อยานที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าพอถึงเที่ยงคืนจโจตูปะปะตาตญาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนพวกเรามาเกิดในโลกนี่มาจากไหนมานั่งอยู่ที่นี่ ด้วยบุญบา ร, รมีอะไรกรรมอะไรบุญอะไรที่มาเกิดที่นี่เพราะพระพุทธองค์ก็รู้หมดคนเราไม่เหมือนกันคนหนึ่งมาด้วยบาปคนหนึ่งมาด้วยกรรมมาบุญหนึ่งกรรมดีกรรมชั่วเป็นผู้พานํามาอย่างพระโมคขาลามีทั้งกรรมดีทั้งมีกรรมชั่วกรรมดีของพันุ์ก่อนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าแต่กรรมไม่ดีของท่านพอได้เป็นแล้วก็ พงศ์สุดท้ายท่านก็ถูกโจรฆ่าพระองค์บอกว่าที่ถูกโมกคลาถูกโจรฆ่าเพราะกรรมเก่าเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแต่ก่อนแต่ที่ท่านได้เป็นพระอัครสาวกนะ่ยสมัยนั้นท่านเป็นลือศีเป็นเศษฐีโมกคลาเป็นลือศีอยู่ในป่าได้สร้างบุญสร้างโสและตั้งความปรารถนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดว่าพระพุะทธเจ้าปฐุมมตระเทือลายนี่ยนะ จานั้นท่านก็ได้สําเร็จปาถนาในสมัยนั้นบนัดนี้ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกแต่กรรมของท่านมีกรรมชั่วของท่านมีที่ถูกโจรฆ่ากรรมดีของท่านก็มีท่านได้เป็นพระอัครสาวกนี่แหละเพราะพระองค์มอง ร, รููรู้ทั้งหมดว่าแต่ละคนเนี่ยกรรมดีให้ผลอย่างไรกรรมชั่วให้ผลอย่างไงเพราะฉะนั้นพระองค์จึง ในวันพระปฏิโมกนี่วันเดือนสามเพนพระพรทธองค์ให้โอวารปฏิโมกกับภิกษุทั้งหลายว่าอากตังดุกกตังเส้ยโยปัชชาตปฏิดุ ก, กตังความชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเมื่อกรรำชั่วให้ผลพวกท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เนี่ยสรุปแล้วูคือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าคนที่เกิดมาเกิดมาเพราะกรรมคือการกระทำนั่ น, นคือตอนเที่ยงคืนพอจวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระโค์ใจของพวกได้ตัดสรู้อัพนุตรสัมมาสัมโพธิญาตพระ อ, องค์ประกาศเลย ว, ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว สิ่งทีเ่เราจะให้มาเกิดกงล้อ ก, กรรมเกวียนคือราคะโทสะโมหนะนั้นเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนถ้าจะนับถึงตรงไหนก็นับถึงตรงที่พระพุทธเจ้าได้นั่งอยต่ที่โคนต้นโพนะถ้าได้สําเร็จปฐมญาณปุเพนิวาสานุสติญาณเที่ยงคืนจปะปะปะตะนูปปาตญาณยวนสว่างอาสาวกไหยญาณ นี่แหละขอให้พวกเราพนาัสธา ญ, ญาจนะูพุทธาศาสนาของเรานะมีที่ไปมีที่มาเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก น, ะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังแนวทางคำสอนของพุทธะนะต่อไป หลวงพ่อได้กล่าววันนี้ก็เป็นแนวทางให้สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในแนวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวทำคาสอนของพ่ อ, พ อ, พ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างจริงองคหลวงตาของพวกเราและตอนนี้ไปให้เปิด MP3 มานะทีนี่นะเอ็ 3, ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังฟังของหลวงตาอีกทีนึงนะ หลวงตาท่านจะสอนยังไงสำหรับให้ลูกหลานพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะพอพวกเรามาแล้วมาวัดสู่วัดวาแล้วจาระนะมาเพื่อบอมเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจอยู่แล้วนะเอาให้เต็มที่นานๆทีพวกเราจะได้มาอย่างนี้นะเอาเปิดได้เลยนะตนนินะีน่า